วินีตะวัตถุเรื่องภิกษุสําคัญว่าได้บรรลุหนึ่งเรื่องสองสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งประกาศว่าได้อรหตผลเพราะสําคัญว่าได้บรรลุท่านเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอบัตรปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัดเพราะสำคัญว่าได้บรรลุวงเล็บเรื่องที่หนึ่ง